Thank you. สังทำคืฟังเรื่องของเราเรื่องของคนเราคนเราก็มีธรรมาชาติสองอย่างคือกายกับใจปัญหาเกิดขึ้นดูกายดูใจของตนมีสติเป็นเจ้าของได้มีสติเป็นเจ้าของจิตจใจอย่าให้ความหลงเป็นเจ้าของเจ้าความหลงเป็นเจ้าของกายใจก็เบียดเบียนกันทะเลาะกันให้เป็นธรรมต่อกัน กายก็เบียดเบียนใจใจก็เบียดเบียนกายเป็นทุกข์เป็นโทษเพื่งกายก็ไปได้เพืงใจก็ไปได้เอากายมาเป็นสุขเอากายมาเป็นทุกข์เอาใจมาเป็นสุขเอาใจมาเป็นทุกข์เกิดปัญหาต่างๆมากมายเมื่อเป็นทุกข์ส่วนตัวแล้วเป็นทุกข์ที่เกิดที่กายที่ใจแล้วมันก็ไปกระทบกระเทือนต่อสิ่งอื่นมากมายหายกองจนเกิดปัญหาโตประเทศโตโลกได้ คือปัญหาที่เกิดกับกา ก, กับใจเรานี้เราของคมสอนธรรมะมารล้วไปชอบดูแลตัวเองให้ดีๆก็เราดูแลกายใจให้ดีชีวิตก็สดใสไม่มีปัญหาวันหนึ่งหน้าที่เด่งก็ปกติอยู่เป็นสุขถ้าเราไม่ดูแลมันก็เป็นปัญหาทั่วๆไปถ้าไม่แก้ไขกายใจแล้วก็อาจจะเกิด อันตรายที่ตัวอเองและคนเด่นเนี่ยที่วันนี้โลกก็เดือดร้อนความร้อนเกิดขึ้นในโลกทั่วๆ่วไปธรรมชาติสิงแวดล้อมทําให้โลกร้อนเกิดจากผีมือของคนคือกายกับใจนี้นอกจากโลกร้อนที่รวมกันต่อโลกหลยโลกทั้งหลายพั่วประเทศทั่วโลกก็คนมีคนอยู่นอกจากนั้นก็ว่าเกิดขึ้น แต่ละชุมชนแต่หมู่บ้านแต่ละประเทศเช่นประเทศไทยเรานี้เขาเกิดกวัววุ่นวายขึ้นมาทำไมเกิดปัญหาเราไม่ได้ทําอะไรเราก็เดือดร้อนคือหน่อยเขาจะตัดน้ำตัดไฟ ป, ปิดถนนทางเราก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีส่วนร่วมแต่เรางคนอื่นทําแล้วก็เดือดร้อนไปเช่นเราไม่ได้ตัดต้นไม้าจากต้นเราก็เดือดร้อนน้ําท่วม ไม่สมดุลเกิดกลัวไม่สมดุลเกิดขึ้นในที่ต่างๆความแห้งแล้งก็เกิดขึ้นอะไรก็ผิดเพี้ยนไปเยแยะแต่ก่อนต้นข้าวสองทุ่มหัวแตนี้ต้นข้าวแค่โศกแล้วก็วิบัติเกิดขึ้นผลมามลากไม้เปลี่ยนแปลงไปหลพ่อปลูกดักทองไม่ได้กินเลยสบบับสี่ปีมานี้ปลูกแตงก็ไม่ได้กินมะละกอะก็ไม่ได้กิน ไม่ออกลูกไม่เจริญต่อไปข้าก็ปลูกไม่ได้เจิง น, นะต่อไปนะมันเพียนไปหมดเพราะวีมือของคนมันไห้เกิดปัญหาต่างๆต่อไปคนก็จะไม่ดูแลตัวเองคนที่ว่าจะหมกมูดพุ่นชิดอาวิชาพวกมามัย่ำเยีดขีใจของคนเขาคนก็จะไม่พูดไปจากันต่างคนตอบของมุ่นคนคิดในตัวเองไม่มีเวลาที่ไข ถ, ถามให้ความยิ่ม แ, ม แ, ม แ, มแมย้มเจ่มใสต่อกัน เราก็เล่ากันแต่ก่อนนี้เสียงนกเสียงการ้องทั่วโลกทั่วประเทศหลวพ่ออยู่วัดป่าสุขโตเนี่ยกลางคืนก็มีเสียงสัตว์ร้องตลอดคืนตามฤดูกาลต่างๆอย่างเดไลายโซปนโนน้องผลมาเดินเสียงหากันยาเนี่ยฟังเสียงอะไรก็ได้เสียงนกเสียงไก่เสียงควางเสียงกะโลกขันแสียงขันกันเด่๋ยนี้ไก่ไม่ต่ํากว่าร้อยตัวไม่ได้ยินเสียงขันแล้ว ชเชียงเซ่ลก็ไม่ได้ยินเสียงขันกลางเขนก็ไม่ได้ยินเสียงขันการโลกก็ไม่ได้ยินเสียงขันอะไรก็เปิดเพี้ยนไปนั่นเราจะทำงานถ้าเราไม่มาดูแลตัวเองทุกคนอ่ะใครจะทําให้สมองสงบุกพุ่มเย็นต่อโลกไม่ได้เลยจะมีกฎไม้รัฐธรรนูญขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ดูแลตัวเราต่างคนต่างมีเหตุมีผลเห็นข้ากันเปิดสงครามก็เหตุผลดังนั้น เหตุผลไม่ใช่ใส่ธรรมไม่ใช่ทาให้เกิดฉันที่ถูกโสโลกได้ถ้าเรามาตั้งต้นด้วยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยการ ป, ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการที่ทุกคนมุนับหนึ่งจากตัวเราก่อนมีสติสัมมาัญญาคอยดูแลกายใจของเราให้สมควรเหมือนพระ ศ, ศาจดาพระตาถาวคตได้ทำอะไรกับพวกเธอแล้วประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โจโลกประโยชน์กชนแก่พระศาสนา พระตถาคตได้ทําแล้วเจกเธอทั้งหลายสมควรแล้วไม่มีอะไรบุกคลองเลยทำประโยชน์จอตอนจนได้เป็นพุทธเจ้าถึงมากผลนิพานก็เอามาเอาประโยชน์ตนประโยชน์แจกคนอื่นทําเพื่อคนอื่นจนมาถึงพวกเราตัวันนี้แจกบุคคลคนเดียวเท่า น, นั้นเกิดขึ้นมามันก็ขนาดนั้น เ, เริ่มถ้าเร า, าเริ่มต้นจากตัวเรามันก็กระทบกระเทือนไปทางที่ดีได้ ถ้าเราไปเริ่มต้นไม่รู้ว่าใครจะนับหนึ่งก่อนพุทธศาสนาเกิดจากปเจก บ, บุคคลคนเดียวยิ่งเราเป็นมนุษย์เป็นสังคมเป็นสัตว์สังคมก็ยิ่งมีโอกาสได้ไวเช่นเราเป็นครอบครัวผัวเมีบุตรัญญาสามีเนะี่ยไปช่วยกันนะ่ะเราก็ไปได้เลยไม่ต้องมีใครมาสั่งอะไรความชั่วอะไรความดี ท, มทําได้ทันทีการเครื่องมือทําความดีก็มีอยู่แล้วมีกายมีวาจามีใจ ถ้าื่มือและขวั่งชั่วก็มีอยู่แล้วมีการมีวาจาที่ใจแสดงออกในความดีให้ได้จะแสดงออกในความชั่วเบียดเบียนตนบีบ เ, เป็นคนอื่นเราทําได้ทันทีถ้าเรามีสติดูแลตัวเองคือกายใจะให้ดีคนทั้งโลกก็สงบเพียงเพิ่ต่เดียวเพราะทุกคนดูแลตัวเราให้ได้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะถ้าจะไปเอาเหตุและผล อะไรต่างไม่เหตุมีผลเอา้ากฎหมายรัฐธรรมนูนมีเหตุผลต่างคนก็ต่างเอารัฐธรรม น, นมมูนประชาธิปไตยมาอ้างแล้วก็ไม่ลงกันบางทีก็เอาสารรัฐธรรมนูนมาตัดสินเหนือมันก็ยังไม่เพ um ียงพอก็ไมายอมกันก็นี่เป็นสิ่งที่ไกลตัวแม้เดี๋ยวนี้เราก็เล่อืมอมงคลตื่นข่าวนา้ําจะท่วมกรุงเทพเปิดพิบัติ์ธมหาสมุทแล้วก็ง oh องแต่กลัวข้างนอกอยู่ไม่เริ่มต้นที่ตัวเรา เราเก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะ่ะเราต้องมารู้เรื่องนี้ให้ได้ก่อนพระพุทธเจ้าตัดสะลุ ข, ขึ้นมามารู้เรื่องนี้มารู้เรื่องการเกิดเจ็เจ็บตายให้ก่อนมันมีปัญหาที่ตัวเหล่านี้ถ้าเราอยู่เหนือความเกิดความเจ็ความเจ็บความตา ย, ลยแล้วเนะ่ะมันจะมีปัญหาอะไรถ้าแผ่นดินมันไหวเราก็จะต้องกระโดดไปเพระได้สนุกดีถ้าแผ่นดินมันไหวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราถือว่าเราไม่ต้องกลัวเลย ไม่จะเจ็บก็ไม่กลัวไม่จะตายก็ไม่กลัวถือว่าเป็นความสนุกเอาลมพัดมาหรือเอามันก็ดีเราจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อลมตีวิบัติเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยถ้าเรารู้ตัวเองดีแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยในโลกนี้ถ้าเรามาดูแลกายใจของเรานะก็เหนือการเกิดเจ็บตายได้ น, ะนี่คือตัวตัวหลักที่จะต้องเฉลยชีวิตของเราให้ได้ก่อนไม่มีวิธีใดที่เราต้องทํา เราไม่ชาติไม่ศาสนาไม่ีวัดวาเราเป็นพระสงฆ์เจ้าเราพร้อมแล้วไม่ใช่มีพิธีทําพิธีกรรมเท่านั้นแหละมันอยู่กับเราไม่ต้องมากราบมาไหว้เราถ้าท่านจะกราบจะเชื่อเราเคารพเราจะหลงถ้าหลงแล้วถือว่าไม่เคารพกันอย่าทุกถ้ายังทุกอยู่ถือว่าไม่เคารพกันอย่าโกรธถ้ายังโกรธอยู่ถือว่าไม่เคารพกันเลยอย่าลูบถ้ายังลูบอยู่ถือว่าไม่เคารพกันไม่เชื่อฟังกัน ไม่จะกราบจะว่าอยู่ก็ประโยชน์น้อยเราจึงควรจะทําจากตัวเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทําดีได้มันอยู่กับเราเแ ท, ะทะ้ๆก็มีบ้างมาทำวัดส่วนงอนมาฟังธรรมบางเทศถือว่าเป็นการามิตรได้ยินได้ฟังเอาไว้ถ้าท่านไม่ทุกข์ว่าบอกว่าก็ามไม่ทุกข์ก็มีถ้าท่านไม่โกรธก็มไม่โกรธก็มีถ้าท่านหลงคกมไม่หลงก็มี อย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นคู่กันเมื่อมีการเจ็บก็ไม่เจ็บก็มีเมื่อมีการตายก็ไม่ตายก็มีอย่างเนี้อย่าหมดหวังเลยพุทธเจ้าได้เจริมาแล้วได้เทศมาแล้วพิสูจน์ดได้แล้วปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัจโกเป็นของอัศจรรย์ธรรมะเนี่ยอย่าปล่อยให้มันหายต่อหน้าต่อตาเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราไปอยู่ตรงไหนกันชีวิตเราต้องเที่ยวอยู่กับเจนได้ ทำไมไม่ยอมรับเอาความถูกต้องน่ะมันหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงนี่มันถูกต้องที่สุดเอาผู้ที่เลือกได้ไม่ใช่เลือกม่ได้ชีวิตเนี่ยมันลิขิตชีวิตเราได้มีแต่อ้อนวอนอยู่สซาจายการอ้อนวอนก็มีมอาไม่ใช่การกระทําการกระทํำนี่มันเป็นหลักอันหนึ่งที่ก็ต้นจากกรรมในจำแนกไปเราจงมาเป็นเพื่อนกันในเรื่องนี้ หลงตาจะไม่พาหลงทิศหลงทางถ้าจะศึกษาเรื่องกายเลื่องใจเนี่ยแม้มีอะไรมากมายสาระปัญญาไม่หลงแน่นอนแปดหมืนสี่ันอย่างที่เกิดตัวกายกับใจนี้ถ้ามีทางมันหลงตัวไห น, ม, น, ไหนมีทางตัวนั้นวันทุกตัวไหนมีทางตัวนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาเแค่นี้นะเราจะต้องตกเป็นทาสของมันโกรธจนตายหลงจนตายทุกจนตา ย, ยางั่นหรือง่าเสียดายมากความหลงแต่แท้ทำให้ ม, มีปัญญา ความโกรธแท้แท้ทำให้เรามีปัญญาความทุกข์แท้แท้ทำให้เรามีปัญญาความแก่ความเจ็บความตายทำให้เรามีปัญญาเยิดมาเป็นทุกข์เยิดมาเป็นเรื่องของกลักวๆอกสันควันหายเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ขอประกาศขอบอกอย่างนี้คือพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีตัวมี ต, มตนานั่งอยู่ที่นี่ําพูดกัพูดอย่างนี้มาพิสูจน์ลองดูเอเรามาใช่โจราไม่ใช่ได้อวดดี พูดความจริงบอกความจริงความจริงนี่มันไม่ใช่อยู่ที่ใดมันอยู่ที่เรานั่นแหละเราหลงมันก็มีความว่าหลงตรงนั้นมันวดหรือถ้าไม่ทําตรงนี้ไปเชื่อใครไปเชื่อหรือไม่เชื่อใครถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตัวเองถ้าไปเสียดก็ไปเสียดตัวเองแล้วคนอื่นพูดเราไปเสียดคนอื่นถ้าหลงก็อบอกว่าความหลงไม่ดี แล้วก็ยังหลงอยู่ไปเสียดตัวเราความหลงก็ไม่ดีอยู่กับเราแล้วย้อนปฏิเสธความหลงความไม่หลงอยู่ไม่หาความไม่หลงเฉลยความทุกข์มันไม่ดีเรารู้แต่ว่าไม่เคยเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวเราก็ไปเสียดตัวใหไปแล้วเลยหน้าที่ของเราถือว่าประมาทพลาดโอกาสบทเรียนที่ดีๆมันอยู่ตรงนั้นถ้ามันหลง บวชเรียนก็อยู่ตรงนั้นแล้วความหลงแท้ๆ ท, ทาให้เกิดความรู้สึกตัวความทุกข์แท้ๆ ท, ทาให้เกิดความรู้สึกตัวอย่าหลงตรงนี้ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนร้ายเป็นดีถ้าไม่เปลี่ยนร้ายเป็นดีไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแม้จะบวชมาจนเท่าจนแจกก็ไม่ถือว่าบวชเพราะบวชนี้คือดำดิโอขับความทั่วไปสู่ความดีจย่างนี่ย เป็นการปฏิบัติเสมอกันใครที่ดำหลีออกจากความทั่วไปสู่ความดีคขนั่งเคื่องถือบวชกันอบายแม้แต่เป็นเทศระว่าเจ้ายังก็ยังทําได้หมายใช้ว่าโอ้ยนักบวชท่านเป็นนักบวชท่านทาได้ไม่ใช่เพราะว่าอย่างนี้ไม่ใช่ลัทธิดิกายเพศวัาชาติศาสน า, าใดเป็นสาคนเป็นสาคนของธรรมะใครหลงก็เหมือนกันหมด ตัวใครเปี่ยนความหลงความลูกก็เปลี่ยนได้เหมือนกันหมดไม่ใช่วันนั้บวชเท่านั้นจึงเปลี่ยนได้คนแก่เท่านั้นเปลี่ยนได้คนน่มเท่านั้นจึงไม่เปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นความรู้ความหลงอ่ะไม่ใช่อายุเพศไหวมันคือชีวิตเราแท้ๆคนหนุ่มก็หลงคนแก่ก็หลงคนเท่าก็หลงคนอะไรชาติใดภาษาใดความหลงเหมือนกันหมดเลยความทุกข์ก็เหมือนกันถ้าความรู้อันเดียวกันเดียวก ของรู้สึกตัวกันเดียวกันเนะ่ยไมาเช่ศาสสาอันนั่นเป็นความรู้แบบนีศาสตานี่เป็นควารู้แบบใช่เลยควมรู้สึกตัวที่เราสร้างอยู่นี้อันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันนี้มันก็อยู่กับเราเดียวนี้ได้นี่คือไม่จํากัดการเลยธรรมานะเรื่องของที่เราได้เห็นได้